อาตมาภาพขอตั้งสติญาทิฐานอ้างคุณบสีรัตนไตรมีพระพุทธ ร, รัตนะธรรม ร, รัตนะและสังฆ ร, รันตนะทั้งสามรายการจงอภิบาลมัรนดาท่านพุทธบริษัทุุท่านให้มี้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิตรพรชัยทั้งสี่รายการ มีอายุวันน่าสุขภาพรลั้วรพิภานหากทาใดทีด่องค์สมเ ด, ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรุ้แล้วขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณิแก่ทุกท่านจงลดทา น, นั้นในชาติปัจจุบันนี้